พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปิดงบแล้วทบทวนวันนี้เป็นวันเสาร์ ที่ยี่สิบหกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนะคณะทายาิโยมลูกหลานแต่ฝนไม่เคยตกมานานแล้วก็ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยโอ้แรงพอสมควรนะรู้สึกว่าถนนผลทางเอ่อเปรียกโชกพอสมควร แต่ทื่อยังไงพี่น้องลูกหลานถ้าหากว่าเข้ามาในท้องถิ่น อ, เอนำเภอนามโสมนายุงถ้าหากว่าฝนตกในขณะที่เข้ามากำลังฝนกำลังตกหรือว่าตกลิ่นๆพรัมๆให้ระมัดระวังเนะ้อเพราะว่ามันเป็นน้ำยางน้ำยางพาลา เนีพระอำเภอน้ำโสมนายงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนะมีแต่ป่ายางเต็มไปหมดแต่ดีเวลาเขาเอาอยางไปขายเขาเอาขึ้นรถสิบล้อดังนั้นน้ำยางมันหยดลงไปในพื้นถนนอหลายครั้งต่อหลายโหนตายหลายวันปวดหนึ่สุดเวลาฝนตกมามันเป็นเมือกเลยเนี่ยมันเป็นเมือกมันเลื่อน วันนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถปิกอัพก็ดีรถเก๋งก็ดีเีพอวิ่งมาอย่างเร็วไม่ได้ร ะ, ะมัดระวังทําให้เอมันไม่เกาะถนนเหมือนกันนะเสียหลักได้ง่ายอันนี้ก็คือคนในท้องถิน่นเขาบอกเขาเตือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมที่ได้ยินหลวงพ่อพูดนะกันนะให้สังเกตสังเกตให้ละมัดระวังขณะที่ฝนตกถ้าฝนไม่ตกไม่เป็นไร ถ้าขนั้นฝนตกนนมันมันมันรื่นมันเป็นเมือกเมือกมันคล้ายๆว่ารถยังไม่ติดนะเพรมเป็นน้ํายางน้ํายางมันไหลออกจากรถของเขาแต่เขาก็พยายามอาบอกกล่าวกันอยู่ห้ามกันอยู่ให้มีผ้า ย, ยางรองพื้นแต่ถือยังไงบางครั้งมันก็อย่างว่าเหมือนกันมันหลายคนสาธารณะบางคนก็ขี่มักง่ายก็มีนะ ละ ว, วันนี้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้ากรมอันดีเจ้ากมรากมทหารอากาศท่านบุญสบเสบที่ท่านเคยมา เ, เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตามหาบัวแล้วก็นู่นทำไมหาทองคำเข้าคลังหลวง เ, เคียงบา่าเขียงไลช่วยหลวงตาไปโอ้ ทองหลายกิโลเหมือนกันแลกกับคณะกลุ่มของท่านแต่ก็ได้มาพักภาอาศัยบ้านเพิ่มด้วยทั้งวัดปา่านาคำน้อยแต่คราวนี้ท่านก็จะมีการทอดภาพป่าสามัคคีเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เพื่อการศึกษาจะสุดแท้แต่ทางวัดจะช่วยกันพิจารณาจะให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในประเทศชาติ อันนี้ก็หลวงพ่อยังค่อยว่ากันอีกที่หน่งเพราะท่านก็คงจะมาพักามาทอดผ้ปาป่าในช่วงปีใหม่นะและก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงต า, าในท้องถิ่นหลวงพ่อก็พยายาม บอกกล่าวให้คณะทตาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของลูกของหลานปู่ย่าตายายของลูกของหลานก็พยายามบอกกล่าวลูกหลานของพวกเรา ท, ที่ผู้ที่จู่ต้บังคับลูกหลานของพวกเราแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อลอกแต่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราบอกเตือนหลายครั้งถ้าหากว่า ม, มันเกิดปัญหาขึ้นมาหลักเดียวเขาจะสานึกได้ ถ, า, ถาวันเราไม่บอกไม่เตือนไม่กล่าวเด็กเขาอาจจะประมาทเลินเล่อไปก็ได้เพราะนั้นให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกกล่าวในช่ว ง, งเทศกาลเข้าพรรษาช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมากประสบอุบัติเหตุบ่อยมากทีเดียวหลวงพ่อในฐานะเป็นของปู่หลวงตาหลวงพ่อก็บอกกล่าวนะอยากจะให้ลูกหลานทุกคน ให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนบางทีมันใช้ถนนไปแล้วบางทีตกถนนหัวน็อกพื้นขาหักแขนหักใครเป็นผู้รับผิดชอบแทนเราพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเท่านั้นแหะที่จะดูดูแลเรา ตอนน้เราจะเป็นยังไงเราหัวนกพื้นล่ะจะเป็นบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นบอก็ไม่ใช่จะทาอะไรโต๊โต๊เตะเตก็ตกตกตกตกกเลยเสียเอีเสียศูนย์เสียทรงไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้มันแก้ไขไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอจะว่าบ้าก็ไม่ได้จะว่าบอก็ไม่ใช่เพราะมันหัวนกพื้นเสียคู่เสียคนไปถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไง นี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไกลๆอย่าไปคิดสนุกในช่วงที่ประเดียวปดดาวต้องคิดไกลว่าถ้าดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นใครเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเราพ่อแม่ก็ต้องหนักใจผู้ที่เกี่ยวข้องก็หนักใจด้วยกันทั้งหมดนี่แหละอันนี้บัณฑิตนักปราช ท่านเตือนกันท่านบอกกันท่านสำนึกในความเป็นอยู่ของตัวเองอย่างนางวิสาขานางวิสาขาอุปามหาอุบาสิกาในครั้งพระพุทธในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพุทธอุปถาเป็นผู้ดูแลอุปถัมภถาพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผู้หญิงแล้วก็นางวิสาขามหาอุบาสิกา ทังฝ่ายผู้ชายแล้วก็อนาถาบิติกะเศรษฐีเป็นฝ่ายอุปธรรมปรัฐากโยมอุปถาคว่าจะว่าวิยาวัจกรก็ใช่แต่เป็นดูแลพระสงฆ์ขาดเหลือขาดตกอะไรเรื่องปัจจัยสี่ทั้งฝ่ายชายก็คือเศรษฐีอนนาถาบิติกะเศรษฐีตระกูลนึ่งทั้งฝ่ายผู้หญิงน่นก็นางวิสาขาอีกตระกูลนึง ดูแลพระสงฆ์ดูแลพระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนที่นางวิสาขาเนี่ยเป็นเด็กสาวอายุสิบห้าสิบหกปีกำลังเป็นวัยรุ่น เ, เริ่มมีความคิดแล้วนะที่ท่านเป็นลูกของเมนทกะเศรษฐีเหมือนเมญทกะเศรษฐีเมืองสาเกตแต่ตอนนี้อยู่เมืองราชกุงราชคือนั่นแหละ พระเจ้าปเสนที่โกศลไปเยี่ยมเยียนพระเจ้าพิมพ์พิสารกรุงราชจะคือไปกิดอะไปขอตระกูลไปขอตเศรษฐีหนึ่งไปขอเศรษฐีบอกว่าบ้านเมืองของหมอมฉันไม่มีเศรษฐีคนรวยไม่มากแต่กรุงราชจะคือในมากกว่าพวกข้าผมข้าผมขอ ตระกูลเศรษฐีไปอยู่กับกรุงสวัสถีด้วยเธอค่ะพระเจ้าพิมพิสารก็อเออประกาศใครจะไปอยู่กับพระเจ้าประเสริฐติโกศลจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างค่ะพ้นิสุกเมตต ะ, ะเรษฐีก็ไปอ่กอไปแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตตั้งลกลากขึ้นมาห่างจากกรุงสวัสถีไม่มาก แต่นี้ท่านก็นมีลูกสาวคนหนึ่งคือว่านางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาเออแปลว่าไม่แพ้ใครในยุคสมัยนั้นแต่นี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยคือตระกูลเขาจะจะไปสู่ขอหรือว่าไปหาขอหญิงสาวมาเพื่อเป็นภรรยาของเศรษฐีหนุ่มเขาจะต้องหาคนไป ไปหาไปหากไปไปดูแมวมองลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ท่านก็ผลนี่เดินไปเรื่อยหาไปเรื่อยพอไปไปเห็นอยู่ในท่าน้ำแม่นน้นําอเจียวอเจยวัดดีคือแม่น้ําใหญ่เหมือนกับแม่น้ําเจ้าพยาหรือ แ, แม่น้ําโขงลักษณะอย่างนั้นแหละอสมัยนั้นไม่มีน้ําประปาในใน ใ, ใ, ใ, ในหมู่บ้าน เขาจะต้องไปอาบน้ำกันในท่าน้ำแต่ใ น, นพวกพรามที่แมวมองนะะันนไปอยู่ตามศาลาหามองหาจิงสาวที่จะมาเป็นสีสภัยของตระกูลของแต่ละตระกูลลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใ น, นเขาก็ไปมองเขาเป็นนั่งมองได้ใ น, นทางวิสาขากับบริวารทั้ง5้าร้อยนะอ่า ไปอาบน้ำในท่าน้ำพอาอาบน้ำเสร็จแล้วก็ฝนตกทีนี่ฝนตกอย่างแรงพวกลูกน้องบริวาร น, นีนน่วิ่งเล ย, เลยเวิ่งเข้าไปในร่มเพื่อจะไม่ให้ฝนตกถูกตัวเองแต่นางวิสาขานี่เดินช้อย เ, อเดินแบบระมัดระวังไม่วิ่งอพอจะนั้นกับเปียกปอนเข้ามา พวกพรามทั้งหลายพวกแมวมองทั้งหลายเ้าก็ดใครเป็นเป็นผู้ผู้หญิงที่เป็นเท่าแก่เขาที่เป็นหัวหน้าเขาเนี่ยเขากินางวิสาขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของหญิงสาวทั้งหลายพวกนั้นเป็นบริวารแต่วิ่งหนีจากวิ่งหนีจากเท่าแก่หมดเหงือนเขาเลยพรามเข้าไปถามทำไมนางนางาไม่สบายเหรอ เออทำไมจึงไม่หนีฝนวิ่งเหมือนกับคนอื่นเขาทำไมเหมือนกับคนง่อยเปียเสียขาลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่กระตือหรือล้อลอนลักษณะอย่างนั้นน่ะเขาก็ถามพรามถามนางวิสาขาก็ตอบว่าดิฉันกำลังเป็นสาววัยรุ่นถ้าหากว่าวิ่งเหมือนกับพวกเขาวิ่งพอล้มลงไปขาหักแขนหักหัวนอกพื้นละ่ะ ถ้าแขนหักขึ้นไปแล้วจะไปสู่ตระกูลสามีหรืจะไปสู่ตระกูลผัวล่ะใครเขาจะยอมรับไหมเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดในขณะนีนะ้เพราะนั้นข้าพรเจ้าจึงไม่วิ่งผ้าเปียกไม่เป็นไรตาก ต, ากตากมันก็แห้งเองอีกสักวันหนึนก็แห้งอยู่แล้วล่ะฝนตกเพียงแค่นี้ไปกลัวมันอะไร ถ้าหากว่าเราหกล้มไปนะขาหักแขนหักออพอมันวิ่งไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่วิ่ง อ, อ, อันตรายต่อสุขภาพตัวเองเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงมองเห็นแล้วว่าไม่คุ้มค่าในการที่จะวิ่งหนีฝนเพียงแค่นี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็พวกแมวมองตอนนั้นโอ้อันนี้มันเป็นถึงขนาดนี้ก็เถิด เป็นชั้นปัญญาชนเลยขอมองไกลอขอมองไกลผู้หญิงคนนี้ต่อไปในอนาคตนี่สดใสมองไกลก้าวไกลแน่ๆจากนั้นเขาก็เลยข อ, อมัดอขอมัดจำอะไรกันเถอะแล้วก็ข อ, อไปให้เป็นตระกูลของเศรษฐีนางก็ตระกูลเศรษฐีเขาบรรยายอยู่แล้วนะเขาก็เลยต้องไปอยู่ เป็นภรรยาสีภรรยาของตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังหรือว่ายกตัวอย่างให้ฟังเพียงแค่นี้หละนี่หละชนชั้นปัญญาชนในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าแตท่านเขาจะทำอะไรเขาต้องวางแผนไว้ว่าในเมื่อตัวเองทำลงไปเนี่ยมันจะเสียอนาคตไหมเออมันจะเสียตัวเองไหมเนี แต่เด็กทุกวันเนี่ยเด็กแว่นทุกวันในพวกเราเห็นไหมแปลว่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดวางแผนอนาคตของตนเองเลยถ้าหากว่าวิ่งไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปท้าประจบอุบัติเหตุใครเป็น ผ, ผู้รับผิดชอบอันดับแรกก็คือตัวเองนะั่นแหละรับผิดชอบต่อไปกับพ่อแม่ได้ลูกเข้ามาขาหักแขนหัก เ, เสียหายขึ้นมาล่ะตั้งตระกูลเราจะไงเลี้ยงคนพิกลพิการมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ไม่ตายง่ายนะ กี่ปีเลยจะดิผลในสุดก็นี่ยอ อ, อลลาวาดทะเลาะบอกแว่งกับวงสาคณาญาตใครจะเอาไปเลี้ยงอะไอจะม อ, อ, อบให้กับใครนี่แหละเสียงเหล่านั้นพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใช้รถใช้ถนนหลวงพ่ออยากจะกล่าวย้ำเตือนให้กับพวกลูกหลานคณะทศาธาญาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่าให้ละมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มีใครที่จะรัก ตัวของเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะคณะจตหายาดโยมนะลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อกล่าวย้ำเตือนเหล่านี้ให้พวกเราเป็นแนวความคิดให้ระมัดระวังใ น, ในการดําเนินชีวิตของตัวเองทางว่าพวกเราเดินผิดไปแล้วนะ่ะอันตรายนะอย่างที่นางพ่สาขาท่านปินเป็นตัวอย่างให้กับกุลจตตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเรา เอาเป็นตัวอย่างนับบ่นคือบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละถ้ากีมา่มอเตอร์ไซค์หัวนกเพิ่นลงไปขาหักแขนหักะมันไม่คุ้มค่าขันนะลูกหลานนะเสียตลอดทั้งชาติเลยถเถอะนี่เรีว่าชาติเกิดชาตินั้นแปลว่าเสียเสียทั้งชาติเลยทั้งที่จะประกอบคุณงามความดีทั้งที่จะทั้งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจมีแต่รักษาสุขภาพ ของตัวเองจนเท่าแกชาา่ชราแปลว่าชีวิตชาตินั้นแปลว่าตายไปโดยที่ว่าไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเสียชาติเกิดพูดง่ายๆนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อกล่าวย้ำให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้สำนึกให้คิดนะและก็พร้อมกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้นึกคิด ดูสิว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะ่ะถ้าเขาทำมาค้าขายเขาจะต้องมอีงบว่าปีนี้ขาดทุนกำไรเท่าไหร่ทำมาค้าขายปีนี้เขาขาดทุนกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ตัวไหนขาดทุนตัวไหนพาขาดทุนตัวไหนพากาไรหรือตัวมันขาดทุนทั้งหมดเขาจะต้องปิดงบกัน นี้พวกเราปิดงบแต่เรื่องการทำมาค้าขายไม่ได้ปิดงบชีวิตประจำวันของพวกเราตั้งแต่ปีเนี้ตั้งแต่มกราปีที่แล้วปีห้าแปดเนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วนะในปีห้าแปดตั้งแต่เดือนมกรามาถึงวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างได้โพดอะไรไปบ้างได้เสียหายได้คิดอะไรไปบ้างที่มันจะเสียหาย ทำให้เราเสียหายเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเนี่ยให้ทบทบทวนดูหรือว่าเรามีแต่หมกมุ่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่เรื่องคุณธรรมศีลธรรมธรรมจริยธรรมที่จะสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเราไม่เคยคิดเลยมีแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีแต่หาเงินหาคำทรัพย์สมบัติอย่างเดียวแต่เรื่องการบุญการกุศลพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ทา นี่แหละให้พวกเราทบทวนดูเออดูย้อนหลังดูว่าชีวิตของพวกเราตั้งแต่ต้นปีมาถึงปีนี้เนะ่ะเราพิจารณาดูซิว่าเออมันขาดทุนก ำ, กำไรอย่างไรแต่ว่าพวกเรามีแต่สแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพสมบัติเอออย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องการบุญการกุศลหลวงพ่อว่ามันก็เหมือนกับ ถ้าพูดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าเหมือนกับสัตว์สารสิงตื่นขึ้นมาแล้วก็หาหายามากินหาน้ำกินน้ำกินยาแล้วก็มาขับถ่ายแล้วก็เอาป้นพุ่งในเช้าก็ไปหากินอีกก็ได้เพียงแค่นั้นคือเลี้ยงร่างกายถึงเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ เ, เราหาปัจจัยสี่เป็นเงินมากมายพอเลี้ยงเข้าไปอ า, อาหารดีขนาดไหน คบหมูห้าแต่ละคําที่เรากินเข้าไปในร่างให้ร่างกายถึงจะยังไงมันก็แก่ถึงจะมียาแก้โรคภัยไข้เจ็บถึงจะประเทศไหนเขาบอกผลยาดีที่สุดรักษามันก็แก่มีผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนรักษาร่างกายดีขนาดไหนถึงจะเอามาใส่มาใช้มาห่มมันก็แก่ถึงจะมีบ้านหรูหราโออาขนาดไหน ให้อยู่อ อ, อยู่ต่อไปต่อไปก็เห็นความแก่ของตนเองเ อ, อพออยู่ไปก็เดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวแล้วก็เห็นตาฟ้าฟางฟางแล้วก็เห็นหูตึงแล้วก็เห็นหนังเหี่ยวผลในสูตก็ได้ใช้ไม้เท้าหลยทาไมตายง่ายทีนี่นี่แหละถึงจะเลี้ยงดิบดีขนาดไหนก็เถอะปัจจัยสี่เลี้ยงร่างกายผลี่สูดก็แก่เ อ, อเจ็บ แล้วก็ตายในที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินกว่านั้นเพราะนั้นพวกเราให้คิดดูว่าเมื่อตายแล้วมันไม่สูญนะท่าี่ให้นี้ตนนี้เราต้องศึกษาศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะคือพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาถึงหกปีในยุคสมัยเมื่อ 2,558 ัายหปีให้หลังพระพุทธองค์หนีจากเวียงวังพระพองค์รู้ ว่าการเป็นอยู่ความสุขเมื่อเป็นครวาดนั่นคืออะไรการพัดภาคเป็นทุกขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้สิทธัตถะท่านรู้การเป็นอยู่คือความสุขในการเป็นอยู่กับพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานญาติโกโหติาอยู่ในเวียงวังท่านก็รู้ว่ามีความสุขแต่เมื่อท่านหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ตามลาพังทั้งหปีนะันท่านเป็นอนาถานะ ท่านทุกขนาดไหนแต่ท่านก็รู้ว่าตรง น, นั้นมันทุกแต่ว่าท่านส่องแสวงหาท่านค้นคิดหาวิธีการที่จะทำยังไงจะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายในโลกวัตะสงสารนี้อีกเนะนี่ยนะท่านไปค้นคว้าทึงหกปีไปอยู่ในไปอยู่ตามลำพังจนวันเตือนหกเพนท่านจึงได้สูรสำเร็จในวันนั้นท่านนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระพุทธปฏิมาที่พระประธานของพวกเรานั่งขณะนี้แหละเนี่ยท่านนั่งอย่างนี้แหละที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนจากนั้นพระ อ, องค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้าหายใจเข้าหายใจออกมกีรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกนึกคิดของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง แต่เมื่อจิตรมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานราัตนะเกิดฌานขึ้นมาแล้วะปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาต์ผลหลังได้เนี่แหละพุทธศาสนาพวกเราศึกษาดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอยากจะรู้ยว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญให้นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิอย่างพระพุทธโูกผานั่งเนี่แหละทั้งองค์ท่านนั่งเนี่ยจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ใจของท่านก็รวมสงบเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าทุกวันนี้มันมีมันมีรถใช่ไหมล่ ะ, ะหลวงพ่อก็เลยว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเนีมยรรามาทนะแต่มองไม่เห็นนะแต่นั่งสมาธิจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจกับกายกายกับใจนะเป็นคนละสวนเป็นคนละอ่านกัน แต่แต่กายขยับไปขยื่นไปได้ต้องมีใจจังใจคมตองมาเออมาขับมาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในกายเนี่ยนั่นแหละท่านจึงว่าเออพระพุทธองค์ไปแยกแยะไปนั่งพิจารณาดูแล้วว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนี่แหละผู้ต้องไปนั่งคัดสมาธิาจากนั้นพระองค์ก็รู้ได้ว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่ง นามธรรมคือจิตใจนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายที่นี่ที่ตัวมองไม่เห็นนะ่ยท่านให้ความสําคัญมากกว่าจั่หวมะมโนปุพังเมาธรรมานที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกเพราะร่างกายของเรามีกายกับใจท่านให้ความสำคัญขันเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจมัโนปุพัง มีกายเป็นใหญ่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละจับบแล้วก็คือรถคันนี้ถึงจะแพงขนาดไหนก็เถอะราคาเป็นยี่สิบสาสิบร้อยล้านก็เถอะนี่โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นขับรถโซเฟอร์โมโหขึ้นมาเนี่ยอา้าวเบื่อมันรถคันนี้ว่ะ เ, เอาลงเขวซะวะเอาโดดลงน้ำซะวะ ชนต้นไม้ใช่ไหมโซเฟอร์ไม่นิสัยไม่ดีรถคันนั้นก็พังยับเยินไปหมดเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันท่านจึงให้ความอบรมให้ให้อบรมโซเฟอร์ท่านอ่ะอบรมโซเฟอร์โซเฟอร์ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในเมื่อโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนั่นแหละโซเฟอร์จะใช้รถคันนี้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม คิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็พูดดีเนี่ยเนื้อคิดดีทําดีพูดดีอยู่ในสถานที่ใดก็ดีทั้งหมดอยู่กับพ่อกับแม่ก็ดีอยู่กับวงศาคนาญาติก็ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาก็ดีอยู่กับใครใครก็ดีทั้งหมดพราคิดดีทําดีพูดดีเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทาญาติโยบลูกหลานทุกคนนะพร้อมกันจะอย่าลืมเราเกิดมาทั้งที เราเกิดมาจากใครบางคนก็ลืมกรรมพืชของตนเองลืมกรรมพืชว่าเราเกิดมาจากใครแต่ตามไม่จริงเราต้องนึกคิดไปอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเรามีพ่อมีแม่เราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราตั้งแต่เราแบเบาเห็นไหมเราเคยเห็นเด็กไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเราม า, เ, าเรามีอะไร ติดตัวมาไม่มีแบบเบาจากนั้นพ่อแม่ก็ประคบประงมในการเลี้ยงดูจนมาถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เมื่อใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราควรจะลำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่แหละด้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบให้ตอบแทน พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรธิดาที่พวกลูกทั้งหลายเกิดมาจากพ่อแม่เพรานันให้พวกเราสำนึกไว้หน้าลูกหลานคณะจัทยาญาติโยมถ้าใครก็ตามระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ ไปตกอยู่น่สถานที่ใดมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวจะไม่มีความาจิบหาย อ, าอับเฉ า, เาทามาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองผู้ลราเลือกถึงพระคุณของผู้มีอุปกรณอย่างพ่อแม่ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนจะว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่ เ, เป็นพรหมคือพรหมวิหารมีเป็นผู้มีเมตตาตบุตร พ่อแม่เป็นบุคคาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกของบตทธิดาพอเราเกิดมาเราจะรู้อะไรใช่ไหมล่ะพ่อแม่จะต้องสอนต้องป้อนข้าวต้องคับถ่ายอย่างนี้นะลูกนะอาบน้ำอย่างนี้นะสอนหมดทุกอย่างเว่าเป็นบุคาอาจาร์เป็นอาจารย์คนแรกของบุทธิดาแล้วก็พ่อแม่เป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นอะไรท่านเรียกมากมายที่เดียว สรุปแล้วก็คือพ่อแม่เป็นผู้มีอุปกราระคุณสำหรับบุตรธิดาทุกคนเพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะย้อนดูเรามาจากไหนเป็นยังไงในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะหลวงพ่อเองนะอย่างปีใหม่อย่างนี้แหละปีใหม่ที่จะถึงนีนะ่เราอยู่ทำมาค้าขายอยู่ที่ไหนที่ไหนไหน เราก็ควรระลึกถึงพระคุณเวลากลับขึ้นมาก็นะ่มีอะไรบ้างมาฝากพ่อฝากแม่ถึงท่านจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยก็เถอะแต่ท่านอยากจะได้ของลูกน้ำใจของลูกนะถึงจะเป็นขนมชิ้นหนึ่งที่มาฝากพ่อฝากแม่พ่อแม่ก็ยังดีใจเพราะว่าลูกรำลึกถึงพระคุณไม่ลืมบุญคุณของพ่อของแม่เพียงแค่นั้นลนะ่ะ ท่านไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการน้ําใจจากลูกๆทุกคนนี่เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละลําลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณอพ่อแม่เป็นพระรหันตของบุตรน่ะการพูดถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนก็มาถามหลวงพ่อเลยเอ๊ะมันจะไม่เกินไปหรือหลวงพ่อเอพ่อแม่ของเราเป็นพระรหันต์เอ้ยเราจะไปคิดโง่อย่างนั้นสิ ท่านไม่ใช่บอกพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์กับทุกคนมันไม่ใช่ฟังดูสิพ่อแม่เป็นราเป็นพระอรหันต์ของบุตรที่ดาเราเป็นเรามีพ่อแม่กี่คนล่ะเด็กเออเรามีพ่อแม่กี่คนนั่นแหละพ่อแม่ของเรานะี่ยคือพระอรหันต์ของเราไม่ใช่พระอรหันต์ของทุกคนนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้งโง่ถ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นนะทําไมเราจึงคิดได้อย่างนั้นคิดงโง่อย่างนั้นหลวงพ่อว่านะเอท่านฟึก พ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาทุกคนนะถ้าใครก็ตาฆ่าพ่อฆ่าแมนะ่เหมือนกับฆ่าพระหันอนันตเรียกรมหานมาตุฆาตฆ่ามารดาปิตุฆาตฆ่าบิดาอารหันตะฆาตฆ่าพระหันโลหิตุบาต ท, ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังพระโลหิตให้หอกยุสังฆเพทยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่าย บาปห้าอย่างบาปหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เหมือนฆ่าพระอรหันต์ใช่บาปหนักเพราะฉนั้นทาน่านยังว่าพระคุณของพ่อแม่เหมือนพระคุณของพระอรหันต์เป็นผู้มีพระคุณถ้าใครทำดีกับพ่อแม่ก็เป็นบุญกุศลมหาศาลมากมายแต่ทําความไม่ดีกับพ่อกับแม่กับ เป็นโทษอันนันเป็นบาปมหาศาลเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้มันจวนจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ จ, กจวนจะสิ้นปีหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราปิดงบนะปิดปิดงบไม่ใช่ปิดงบการทํามาค้าขายให้ปิดงบบัญชีชีวิตของเราเนะี่ยปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะ่ะเราจะเดินยังไงต่อไปปี25งพ้าห้าสิ้า เราจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างไรให้มันดีขึ้นให้เป็นที่อบอุ่นทางด้านจิตใจไม่ใช่ว่าเราจะ ส, สวัสดิหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบุญกุศลทางด้านจิตใจเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเหมือนเลี้ยงร่างกายอย่างที่หลวงพ่อเนีพูดถึงจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันก็มีแต่แก่เจ็บตายในที่สุดแต่ตายแล้วไม่ศูญจุดนั้นละ่ะเราต้องศึกษา ในหลักทำคําสอนของพุทธะที่ว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะทิ้งจะทําให้เกิดใจถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะพาไปพาไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานาไปตกต่ำํำพูดง่ายๆถ้าว่าเราทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลกรรมดีนั่นแหละจะพาไปสู่สวรรค์ชั้นพรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเพราะบุญพาไปเกิดถ้าบาป พ, พาไปเกิดไปทางไปทางต่ำนะ เพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายสาธาญาติโยมทั้งหลายนะ้าให้ปิดงบดูตัวเองแต่ละคนนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร